ฟังธรรมกันน้งเกี่ยกเป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติธรรมเรากําลังเข้าพร้มมาฐานเข้มเฉวันก็สร้างบรรยากาศเชิอ้อมให้กับตัวเอง ในการปฏิบัติธรรมสิ่งแวดล้อมที่ดีก็คือมิตรเพื่อนถุงมิตรดีเพื่อนดีสิ่งแวดล้อมดีก็ทําให้สะดวกในการปฏิบัติในการศึกษานอกจากนั้นเราก็สร้างตัวของเราเองน้อมตัวเลงเข้าไป <c oughs> นะสิ่งที่ถูกต้องนี่สติไปในกายประกอบขึ้นมาให้มันมีสติมันจะมีขึ้นก็เพราะการประกอบไม่ได้ไปท่องไปจำเอาเหมือนกันเรียนหนังสือ ต้องทำให้เป็นต้องประกอบอวยกายประกอบวัาวใจป ร, ประกอบเอากบคบามรู้ศึกตัวในสติไปในกายอยู่เป็นประจำวิธีใดที่จะต้องมวิธีใดที่จะมีสติโดยอาศัยตะกรรมฐานรูปแบบกรรมฐาน แต่กนกายคืออะไรที่จะมันเกิด ค, ความรู้จากกายได้รู้แขนเข้าเหยียดแขนดอกเนือรู้สึกตัวเมื่อประกอบสติมากจะได้ใช้สติเนีม่มีสติก็ราใช้สติเม่าใช้สติสติก็จะรับใช้สะดวกมากขึ้น ในการเช้สติสติจะมาไว้มาก่อนอะไรเกิดขึ้นสติจะมาก่อนมาไวๆจะได้ทันเวลาเช่นความพอใจเกิดขึ้นความไม่พอใจเกิดขึ้นสติจะมาก่อนถอนหลบมา ไม่ใช่ความพอใจแล้วมาเชื่อใช่ความไม่พอใจมีสติกลายเป็นความรู้สึกตัวไปแล้วความพอใจความไม่พอใจแทนเป็นรถของโลกสติมาไว้ก็เลยเป็นความรู้สึกตัวไปใช่ปฏิบัติธรรมเปลี่ยนน้ยเป็นดี เวียนผิดเป็นถูกอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมต้องหนัดฝึกตนเองสอนตนเองแก้ไขตนเองเตือนตนเองมีสติเมื่อใช้สติสติจะเลยใช้รับใช้เราอีกต่อไปก็ไม่ประกอบไม่ต้องสร้างสติจะเป็นไปเองก็มันถูกต้อง อยากหลงก็ไปหลงแต่ทุกข์ก็ไปทุกข์เพราะจิ ต, ตเป็นทวารบานเป็นป้อมปาการป้องกันฆ่าศึกได้ไม่มีฆ่าศึกไม่มีภยัยจึงได้ว่าฝึกกรรมฐานเพื่อให้มีจิตจะได้ใช่จิติปะนกายในจิตใจ การฝึกสติก็ต้องอาศัยกายอาศัยใจนี่เป็นที่ตั้งของความรู้จักตัวอย่าให้อื่นมาตั้งเราก็ให้ทิ้งอื่นมาตั้งนานๆานแล้วความโกดก็มาตั้งความโลภความหลงความลักความชังมาตั้งที่กาที่ใจเราเอาใจเราใจเราไปใช้ จนถอนตัวไม่ขึ้นทาตามความทุกข์ตามตามความโกรธตาตามความรักความจังเสียผู้เสียคนถ้งกับนอนไว้หลับถึงกับกินไม่ได้ก็มีค่าตัวตายทหลายคนอื่นก็มีจึงเป็นภยัยต่อตัวเองและคนอื่นอยู่ด้วยกันด้วยความยากลาบากแม้จะมีทั่วบทคนปล่อยมีกองทัพเมียกพุดมีคุกตะลางก็ยังไม่ ไม่จบสักทีจึงมอรับผปชอบตัวใครตัวมันวิธีแก้คือมารับผิดชอบตัวเองเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองมีสุดดติตามวิชากรรมฐามเช่นนี้เพ่อจะได้เพึ่งอาศัยกายอาศัยใจเหมือนพื่อเหมือนเธ อ, เ, อเพื่อขี่ข้ามภาคถึงมากถึงผล เมื่อปึอกกายปลึกใจแล้วมันเป็นมากเป็นผลกายใจของคนนี่คือชีวิตของคนนี่ที่เป็นมนุษย์นี่มันมีมากเป็ผลมันมีพระ涅槃จะไม่มีมมม <c oughs> มมโรคไหนที่จะเกิดมากก่นี้พ่านได้ถ้าไม่มีกายไม่มีใจ จะเกิดผลเกิดกุศลก็คือเถิดที่การจิตใจดีของคนนี้คนเป็นเป็นนี้จะมาหัดตนเองสอนตนเองให้มีโอกาสเต็มที่ทุกคนใช้โอกาสจากนี้ให้เต็มที่แล้วก็พยายามสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นเจอเราเจอคนอื่นอยู่เสมอ เราที่พอจะดวกในการทำหน้าที่เรื่องนี้ก็พยายามที่จะหวนวายที่จะให้เรื่องนี้เป็นสมบัติของทุกคนมาใช้จิตทธิเพื่อปึกตนสอนตอนเช่นนี้รือต้องอาศตัวเองเต็มที่ลงเองต้องรู้เงิง ทุกเองต้องรู้เองผิดเองต้องทำเองแก้ไขตนเองอย่าไปพึ่งพาใช้คนอื่นพึ่งคนอื่นไม่สำเร็จพึ่งไม่ได้ความหลงให้คนอื่นไว้ช่วยก็ช่วยให้เกิดความรู้ไม่ได้ความทุกข์ให้คนอื่นไว้ช่วยก็ช่วยพ้นจากทุกข์ไม่ได้นอกจากวัตถุจิงของเป็นเรื่องทุกข์ไกลแล้ว ส่วนมาจะรวมอยู่ที่ใจความเจ็บไข้หรือป่ว ย, ยก็มาอยู่ที่จิตใจอะไรก็มารวมอยู่ที่จิตใจจึงเป็นเรื่องของจิตการพัฒนาจิตการวัเพ็ญทางจิตพุทธเจ้าตัดสู้ทง้งจิตนี่การสอนจิตนี่เจนมันเกิดไลเคลื่นมากับรูดจิกตัวนี่มันก็เข้าถึงจิตแล้ว ในละความชั่วเกิดที่เกิดจากกิดแล้วความพอใจก็เกิดจากกิดก็ถอนหนกงาซะให้รู้จากตัวซะถ้าไม่พอใจกับเรื่องของกิดก็ออกมารู้จากตัวซะให้สอนกิดแล้วสนุกสอนกิดใจตัวเองมันก็ถูกแล้วเป็นงานชอบแล้วอยู่โดยชอบแล้ว เมื่อเราอยู่ได้ชอบเช่นนี้โลกจะไม่ว่างจากพาระอรหันต์พระเรียบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งแน่นอน พ, อาาพระโสดามังทัชกิทาคามีพระนาคามีพระอรหันต์คือมันไปทางนี้เข้าข่ายเข้าช่องเข้าทางทวธมเข้าชินทางเลยมีสติปานกายอยู่เป็นประจำํำก็ได จนความพอใจคงไม่พอใจไม่สติไปในกายดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดไปแนละ้วหมดแล้วทั้งกายทั้งใจแล้วมีสติดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดได้สอนทั้งกายได้สอนทั้งใจอาศัยกายไปไตั้งได้เห็นเจตี่มันคิดแต่ก่อนไม่เคยเห็นความคิดตัวเอง มันคิดไหลก็ถือว่าเป็นไปตามมหมดถือว่าเราเอ่อจักรกายถือว่าตัวเราเพิ่มตัวตนเข้าไปในความคิดเพิ่มตัวตนในกาอาการต่างๆอาการที่เกิดกับกายกับใจเยอะแยะแล้วก็เป็นตัวเป็นตนเพิ่ขึ้นเยอะแยะว่าอเยะบุคคลชั้นต้นสกฤตทิฏฐิถอน ไม่มีตัวไม่ตนในกายในจิตมิแต่รู้เนี่ยมันเข้าเข้าทางเข้าประตูไปแล้วเหนเวทนาสุขทุกข์ที่เกิดกับไายกับใจก็ถอนลงมาจ้าไมให้เป็นสุขเป็นทุกข์เกิดกับกากระใจทใี่มีแต่ความรู้จักตัวเนี่ยก็เข้าทางแล้วแล้ถอนร่างกายทั้งใจแล้ว เกียรติมันชิดก็อย่าให้ความคิดปรับนั่งฉุเป็นทุกข์ไม่รู้จุกตัวความคิดเหมือนเกิดสองลักษณะตั้งใจคิดก็มีไม่ได้ตั้งใจคิดก็มีตั้งใจคิดเป็นไปวิชาไม่ได้ตั้งใจคิดเป็นหล่าววิชาเกิดจะความคิดเหมือนการการไม่ตั้งใจคิดนี่มันมากกว่าการตั้งใจคิด การตั้งใจ ค, คิดก็ไม่อยากแค่คิดเพรามันต้องต้องอยากพอต้องกวงคิดเรื่องงานเรื่องงานคิดเรื่องอะไรต่างๆก็หนักงานความคิดเป็นงานหนักถ้าไม่มีสติดีก็กลายเป็นประสาทโลกเพี้ยนไปจ้าถูกความคิดปืนเราคิดไปหมด ก่อนไม่ต้องตั้งใจคิดเร่องลูกไหวๆกลับมาเป็นไวเวลาเราเข้ากับวันฐานนี่ก็ไม่ควรตั้งใจคิดเรื่องใดเอาวางไว้ก่อนมีลูกก็วางไว้ก่อนไม่มียก็วางไว้ก่อนไม่การงานวางไว้ก่อนเรามาทําความดีก็เราจะเป็นคนที่ดีของลูกนี่บัวมีเมียก็จะเป็นคนที่ดีของผัวของเมียแล้วมาฝึกตัวเอง เป็นพ่อเป็นแม่ก็จะเป็นพ่อที่แม่ที่ดีของลูกของเต้าวพาเรามาฝิกตัวเองเราใช่คิดรักลูกรักเมียรักพ่อรักแม่ก็ไม่ใช่ความคิดหรือตัวเราต้องเป็นคนดีจะาได้มีสุขภาพไม่เจ็บไข้ได้ป่วยด่าคิดเราก็ไม่สำเร็จประโยชน์อนไร ทำความดีคือมีสติล่ความชั่อสามกิจให้บริสุทธิ์นี่เขาจะเป็นถ้าเรามีเป็นลูกเขาจะเป็นพ่อโดยพ่อที่ดีของเขาจะมาฝึกตนสอนตนอย่างนี้ี่มีสติไปนในกายสาศัยกายสายจิตใจดีปฏิทัศนของความรู้จักตัว สังวนฤกษ์จิตไห้ก่อนอะไรมันมาจอนมาที่กายที่ใจบอกขค้ืนไปไม่ต้อนรับไม่ให้คุณค่าไม่ที่อาศัยไม่ให้จึงเงินมาอาศัยออกขวายก่อนให้รู้จักตัวไปแทนที่ไหวเหมือนเก้าอี้ใบเดียว มีคนนั่งอยู่แล้วอันหนึ่งก็มานั่งไม่ได้ก็มีสติเมื่อสติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจแล้วกายใจก็ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นเมื่อกายใจรับความเป็นธรรมเพิ่มขึ้นเมื่อมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นก็ใช้ชีวิตที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นหลายๆอย่าง แล้วความชั่วทำความดีจิตบริสุทธิ์ก็กลายเป็นหนทางหลังเราสาทยาพระสูตรแล้วก็อยู่ในการในใจของคนปเป็นๆนี้ความคิดชอบการนำาหล็กชอบการพูดจาชอบการการทำงานชอบการเลีเ้ยงชีตชอบ ความภาพเปลี่ยนชอบความมีสติไปชอบความตั้งใจไ่้ชอบหมดเลยเพียงหายเป็นมากเป็นผลไปเลยทีเดียวความชอบมันเกิดขึ้นในกายในใจของคนเป็นๆ น, นี่ถ้าเราไม่มีเช่นทางทิจดีแบบนี้ก็ผิดพลาดเดยอะแยะหลงทิศหลงทางมากมายเลยเอากายเอาใจมา ทำเกิดความหลงหลงที่กายก็เยอะแยะหลงที่จิตใจก็แลยแล้วแต่ว่าอ า, ม า, ารมณ์บาคานต่างๆนั้นมีนะมีทุปผลเป็นทุกรูปก็เป็นทุกเวทนาก็เป็นทุกสัญญาเป็นทุกสังขารเป็นยุเป็นทุกเป็นญาณเป็นทุก รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเราจะเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์เราจะเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเราจะเป็นทุกข์เพราะความไม่ใช่ตัวตนไปกลคอทุกข์ความอะไรมันมีหมายความทุกข์จริงๆที่เรื่องที่เรามันทุกนั้นนี้ตัวไม่ตนจริงหรือเราเป ดื้อมั่นถือมั่นออกกันต่างว่าเป็นตัวเป็นตนเขาปล่อยแย่ๆไปเลยลน้อยเงหน้ะที่ต้องศึกษาเรื่องนี้อย่าปล่อยตัวเองทิ้งถูกความทุกข์หลังเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเมื่อหน้าแล้วต้องจำนวนหรือให้ความ ไม่เที่ยงปรปับบทุกหรือให้ความปรรทุกประบบทุกหรือให้ความไม่ใช่ตัวตนปรปับบทุกหรือถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้ก็จะชีวิตก็ไม่มีค่าเลยการพักผักจากของเลาะของชอบเใจก็เป็นทุกข์คมไม่สบายกายคมไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ปาัาจัยิงใดมดันน่อสิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ มันเป็นอย่างนั้นหรือชืวิของเราต้องรับใช่จริงเรานั่นหรือมันไม่ใช่ตัวใช่ตนชีวิตมันไม่เที่ยงจิตใดไม่เที่ยงเอามาเป็นทุกข์แต่เราศึกษาดีๆจิตดจไม่เที่ยงจิอนั้นเป็มากกว่านิพพานเห็นแจ้งเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังข า, างรทั้งปวงไม่เที่ยง เมื่อน่านย่อมหน่อยๆสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหงนัง่นแหละเป็นทางขอพระนิพพานเนีย่ยมันไปแบบนี้ให้าความไปเชื่อมมาตนทุกข์เหมืนความเมื่อเที่ยงบรรจุนิพพานไม่าเลยทุกข์กระความไม่เที่ยงเสร็จแล้วมาตนทุกข์ความเป็ทุกข์มันก็จบชีวิตชค่นี้ เอียงไปไหลไปชูมกักสูผลเกิดนิพพานได้ลักษณะแบบนี้งั้นปฏิบัติมากลับมามาดูมาเห็นเริ่มเปลี่นิเป็ีนจริงนั้นมันก็มีอยู่จริงตัวไม่เที่ยงก็ไม่อยู่จริงควบรรทุกก็ไม่อยู่จริงรูปนี่นามนี่ขีกายขจจใจนี่ เป็นรูปทุกน้ำทุกเป็นรูปโลกน้ำโลกเป็นโลกทำนาท้ำทำตั้งอยู่ที่นี่รูปเป็นทุกอย่างไงเยอะแยะเลยสภาวะทุกทุกตามสภาพต้องหายใจเข้าหายใจออกต้องเกิดล้มงหลวต้องนอนต้องเดินต้องเดินต้องหลับต้องกินต้องทาย มันอยู่นิ่งไม่ได้รูปนี่ให้เป็นก้อนทุกข์ชนิดหนึ่นามนี่ก็เหมือนกันอะไรก็รับใช่หมดทุกข์ก็เอาทุกข์ก็เอ า, กก เ, อาเป็นาละอะไรเป็นพ่อคูณไม่รู้จักการปล่อยวางยึดเอาขันทั้งห้าเป็นตัวเป็นตนตยึดเอาเป็นทุกข์ว่าโดยย่ อ, อโอปทานนะั่ขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ สัตังห้าคือรูปเอาเป็นทุกเวทนาเอามาเป็นฉุกเป็นทุกเวทนาก็คือมันฉุกเป็นทุกเอามาเป็นตัวเป็นตนก็อีกมันไม่ใช่เวทนาสักว่าเวทนาเบื้องต้นเราก็เห็นอย่างนี้แยกทางเลยแล้วเห็นเวทนาศักว่าเวทนาไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาตั้งแต่ต้ตตนแล้วเอาะไรที่มันโชวเมื่อใดก็เห็นอย่างนี้ เห็นจิตจะว่าจิตไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาตั้งแต่แรกแล้วอะไรเกิดกับจิตก็เห็นแล้วไม่เอามาจิตมาเป็นตัวเป็นตนแต่ก่อนนี้่วัวจิต ท, ที่มันคิดนี่ภาพเป็นฉุกเป็นทุกไมาจิตบ่งก่อนฉุกก็ให้จิตภาพเป็นสุกทุกก็ให้จิตภาพเป็นทุกเอาทั้งหมดจิตนี่ความลักความชังเกิดจากจิต ความดีใจเฉยใจเกิดจากกิจก็เลยใช้กิจให้ผิดประเภทไปถอนออกมาลู่จากตัวก็สักว่ากิจซะตอนกก็บอกคืนให้ค่คาไม่มีที่อาศัย <c oughs> ไม่มีที่ตั้งไม่แต่ความรู้จักตัวมันก็บริสุด กันล่าขวดชั่วาำทำความดีจิดบรยสุดก็เกิดขึ้นง่ายๆสนุกดีได้สอนกาได้สอนใจมันเป็นกอบเป็นกำรรขึ้นมาเ้าอะไรจะบ้างล่วงพ้นเราจะบ้างแบบวิปัสสนาญาณขึ้นมาล่วงพ้นประวัเก่าีเคยหลงก็ไม่หลง ก็หลุดไปที่นี่เคยเป็นทุกข์ก็ไม่ทุกข์ก็หลุดไปเรื่อยๆเยบาบางจางคายไปหลังไปหยุดไปเย็นไปหลังตรวไหนก็เย็นตัวนั่นไปหมดเชื่อไปอะไรวา่านิพพานมันเย็นลงไม่ฟูไม่แพ้มาเนนทาร์สนเถลิ่ ไม่หวั่นไหวยิตที่ฝึกดูแล้วไม่หวั่นไหวฉะนั้นลาทั้งทิพมาสะเทือนพรานลมฉันใดจศิลาทั้งทิพยผู้เขาศิลาทั้งทิพมาสะเทือนพร้นลมฉันใดผู้พว ก, กจิตดีได้ย่อมไม่สะเทือนเพราะนินทาสันเสินฉันนั้นมันก็อยู่มันก็อเฉยได้ไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรกับเวลา แล้ก็มีมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นตัวกายตัวใจเพิ่มขึ้ น, นได้รับอิสฉาหรอไม่รับเป็นทาสของอนไรแต่กลับพระเจ้าอารมณ์เจ้าอารมณ์ให้ความโกรธนอนเนืองเกี่ยับตัวเราให้ความทุกข์นอนเนืองเกี่ยวับตัวเราเปยคนโอมทุกเป็นคนโลก โดยการที่โลกโลกคือรถชาติของโลกโลภะจรลิดโทจาตจริดล า, าคา้จาจรลิตโมหะจรลิตเนื่อคนอมโลกอะไรเกิดขึ้นเอาความหลงออกได้อะไรแก่ขึ้นเอาความโกรธออกได้ไม่มีการปล่อยวางยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ อารมณ์มาเป็นตัวเป็นตนแล้วครูได้โกรธตายไม่เลงเอาอารมณ์มาเป็นตัวเป็นตนตักทักที่ไม่เชยตัวตนเยียบเปียกความโกรธสำหรัวเองอยู่ก็ไม่รู้ยังให้ความโกรธนอนอยู่กับเราอยู่เหยื่อไดท้ที่โกรธไม่ไม่โกรธก็ได้หวังลงก็ได้แต่เราไม่เห้หัน เจออยู่เห็นได้อยู่หยุดได้อยู่จิตมหาให้รู้จักทิศทางเอาไว้แน่นอนที่หยุดเราต้องเจก่ต้องเจ็บ ต, ต, ต้องตายรับผิดดีๆได้ประโยชน์เหนือการเกิดจะเจ็บ ต, ตได้ธรรมะนี่ย เกิดหงัดไม่ในตัวเรานี่ต้องช่วยตัวเองให้มากมากเกิดงัดตัวเองให้มากการเกิดหัดมากไปใช่ไม่หลับไม่นอนนอนให่อิม่มกินให้อิม่มเลิก่อนี่เพียงพ อ, อ น, นอนให้อิม่มถือว่าปฏิบัติทำแล้วถ้านอนไม่อิม่มไม่เพียงพอถือว่าผิดทำแล้ว ปดเข้าอ่อนน้งก็ไปถูกต้องแล้วการสอนตัวเองไม่ใช่ไปลงทุนแบบนั้นเั้นอัถาชิมถาโยกทำมาตัวเองให้ลำบากไม่ใช่ให้สะดวกเพื่อจะรู้จักตัวนี้มีเลี้ยวบบิีแรงนอนให้พอการนอนไม่ผิดชินไปทำอะไรแต่ว่า ไห้มีเวลาถ้านอนจริงๆมันแค่สีห้าชั่วโมงก็อิ่มถ้าไม่นอนมัวแต่ฝันอยู่แปดชั่วโมงเข้าชั่วโมงคนนอนไม่อิ่มเวลานอนหาเรื่องหมายคิดก็ฝันไปตามความคิดไม่ได้พักก่อนเลยแปดชั่วโมงถึงนตองอ่อนอเอวง่วเหงยเศร้าโมงไม่จื่นเต้นไม่ชื่นบานถ้านอนหลับจริงๆไม่ ไม่นานเต่อนขึ้นมาก็สดชื่อนอี่มแจมใจนี่เลาไม่ไสอนตัวเองก็ใช่มาเขาได้สักอย่างวุวดผิดชิดผิดทำผิดงานผิ ด, ผดแย่ไปหมดเลยผิดของตัวเองเล้พอคนเป็นทุกข์เป็นโทษต่อคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่ น, อ, น, อ, นอีก เรื่องเลก็มันฉับสังคมมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียมีพ่งมีแม่มีลูกมีหลานควรที่จะเป็นสุขให้เกิดขึ้นต่อญาติหรือว่ายาติถาจุริยาประโยชน์ต่อญาติเห็นหน้าได้ในพรานเลยถ้าเห็นหน้าคนมีทำไม่เสียนี่ได้ในพรานเย็นอกเย็นใจด้วย จะไม่เห็นหน้าปัญญาเจินใจได้นิพานเพราะเห็นหน้าปัญญาเห็นหน้าสามีได้นิพานเพราะเห็นหน้าเห็นลูกชาเห็นลูกสาวได้ดีพานพรลูกสาวลูกชายเป็นคนดีมีธทําแตวนี้เห็นหน้ากันอาจเป็นเปรตเป็นสนาโลกไปแล้วเดือดโลนเกลียดชิ้หน้ามันอย่างนั้นนะนี่หน้าบูดตาบึ้ง บรรยากาก็ไม่ค่อดีชีวิตรอบมันไมจะดีแม่จริงวิวรอ บ, บรอมาเดียวกลาเป็นนิสัยได้สัตว น, นกสัลิกาไปอยู่กับฤาษีก็มีนิสยแบบฤาษีสัลิกาไปอยู่กับโจนก็มีนิสยแบบโจนเราเป็นสองคมต้องดูแลซึ่งกันและกัน อยู่โลกร่วมกันกันดินเดียวกันให้เป็นที่พิ่งพาอายเป็นคนดีเดีย๋ยวนี้ไม้ก็จะมีความสุขมีพิษมีภายหลายอย่างอันตรายหลายอย่างเกิดจากคนที่ไม่เคยเป็นคนดีไม่มีธรรมะไม่มีสติส่วนหลงผมาก พวกมิสดีก็มีน้อยเมื่อคนหลงมากแล้วก็อยู่ลำบากจึงชวนกันมาปฏิบัติธรรมแล้วอ่าให้เป็นโอกาสตรมที่หลังจากก็ใช้โอกาสนี้ไม่คัดมาทำบัต เป็นอิจฉะชวนตัวชั่งน่อยแล้วก็สจาภาพก็มันก็จะดีเขียงก็มันก็จะมีหูก็มันก็จะดีก็ไม่ค่อยจะเหมาะเจการสอนทำเชรวจแล้วมาช่วยกันรับผิดชอบช่วยกัน แล้วก็ให้เป็นประโยชน์เพื่อกูลต่อญาติต่อเพื่อนต่อเมตต์ตประชาธนาต่อโลกที่อาใัยเราอยู่เวลานี้ญาติตาจียาญาติขอใช้เราอยู่ลูกชายลูกสาวของพ่อของแม่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็หวังพึ่งพาอาศัยจะได้เป็นคนดี พ่อแม่เข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วเขาจะเพ่งพรใส่พ่อแม่เป็นคนดีนําไปบอกไปสอนเป็นแบบอย่างรูแต่ตะเคียบอยู่ต่อโลกโลกนี้งไมเแผ่นดินแผ่นฟ้าอากาศในน้ากลับง่ายหลายหลายอย่างที่เราใช้ร่วมกันอาหารการอยู่การกินร่มของป้องกันรักษาฝนเดืนชีวิตเดืน ประโยชน์ต่อพระศาสนาให้กันบอกความจริงกับไม่จริงต่อกันละกันแต่แสดงความไม่จริงให้กันเห็นให้แสดงความเป็นจริงพูดจริงพูดชอบอย่างเราสาธิตประชุมจครบทุนที่สุดเลยในอริมั ปดประการอยู่ในการนนใจของคนหนึ่งมาใช้ <c oughs> นีว่าโลตะตาจียาประโยชน์โลกประโยชน์ต่อวันารมะก็เชียงนะสมควรใจเวลาสับพระพร้อมกัน